ตอนนี้ไปก็ขึ้นพากันตั้งใจคนเรานี่การที่จิตใจมันไม่มีกำลังมันอ่อนแอก็เพราะตนเองนี่แหละไม่ทำให้เข้มแข็งไม่ประกอบคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจใจมันจึงได้อ่อนแอจึงพ่ายแพ้ต่ออำนาจของกิเลส บาประทำต่างๆเช่นขาดขันติธรรมอย่างนี้นะมันก็พ่ายแพ้ตกกิเลสจริงๆถ้าไม่มีความอดความทนอยู่ในใจแล้วจะเป็นคเรหัดก็ตามเป็นนักบวชก็ตามมันก็เหมือนๆกันนั่นแหละเมื่อขาดความอดทนแล้วมันก็ต้องพ่ายแพ้ต่ออำนาจของกิเลส กิเลสมันก็จูงไปได้ตามประสงค์เอา้ามันจูงไปให้ฆ่าสัตว์ก็ไปฆ่ามันจูงให้ไปรักของเขาที่ป้นหลอกลวงช่อโกงของเขาก็ไปกิเลสมันจูงให้ไปทำชู้กับสามีหรือกับภรรยาของคนอื่นก็เอามันจูงให้ไปพูดเ ท, ท็จพูดคําไม่จริง เพื่อให้เขาเสียทรัพย์เสียสินเพราะคำพูดของตนมันก็ทำนั่นกิเลสมันบังคับให้ทำเพราะว่าตนมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสเรื่องมันนะมันจูงให้ไปดื่มเหล้ามเมาสุรากันซายาฝิ่นเฮโร อ, อีนก็เอานี่สายของบาปนี่นะ ถ้าผู้ใดขาดขันติธรรมอดกั้นต่อจัญหาเหล่านี้แล้วมันก็ต้องได้ไปทำบาปถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรก็ต้องล่วงทรรมล่วงวินัยสิกขาบทที่ตนสมทานมาแล้ว <c oughs> ความเป็นผู้มีใจอ่อนแอนี่นะ มันย่อมตกเป็นทาตของกิเลสอย่างนี้แหละสำคัญนะเรื่องนี้นะให้พากันใส่ใจให้มากผู้ที่ไม่ตกเป็นทาตของกิเลสตัณหาบาปประธรรมเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผู้มีคุณธรรมอยู่ในใจเช่นมีขันติธรรมความอดกั้นทนทานแล้วก็มีสติสัมปชัญญะ กำกับอยู่ที่ใจไม่เผลอไม่ปล่อยให้ใจคิดไปในทางบาปอกุศลอนี่แล้วตามธรรมชาติธรรมดาของดวงขีดนี่มันมีกิเลสทุ่มห่อมาแต่อดีตชาติหนหลังนู่นแล้วเพราะฉะนั้นมันถึงติดตามมาจนถึงชาติปัจจุบันนี้ ดังนั้นจึงต้องมีวิรยิยะความเพียรอยู่ในใจเพียรพยายามละกิเลสบาปธรรมที่มันติดสอยห้อยตามดวงขีดที่มาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละมันต้องภาคเพียรพยายามและไม่สะสมกิเลสใหม่ให้เกิดขึ้นเพียรพยายามละกิเลสเก่านั่นให้มันเบาบางไป บางคนเพียนละกิเลสเก่าแล้วคนสร้างกิเลสใหม่ขึ้นมาเพิ่มเติมอย่างนี้มันไม่ถูกไม่ชอบเลย อ, <c oughs> อย่างเช่นว่าแต่ก่อนเคยชอบค่าจัดตัดชีวิตมาอย่างนี้น ะ, ะ <c oughs> ขั้นต่อมาในเห็นโทษ แห่งการกระทำเช่นนั้นเป็นบาปเป็นกรรมอธิษฐานใจเว้นอธิษฐานใจเว้นแล้วมันก็ยังไม่ไวายที่จะเผลอไปยินดีไปในการฆ่าการเบียดเบียนนั้นนี่มันเมื่อคี้เลศอย่างนั้นมันไม่ขาดเด็ดออกไปเผลอเผอแล้วมันก็ต้องเกิดขึ้นมาแหละความคิดอย่างนั้นนะอเปอ็น้งเพราะฉะนั้น มันจึงต้องมีความอดความทนต้องมีความเพียรพยายามระมัดระวังจิตนี่เสมอไปอย่าให้มันหวนไปสร้างอากุศลขึ้นมาในใจอีกเหมือนแต่ก่อนอันนี้สำคัญมากนะเพราะว่าของเก่านั่ น, น, นแหละมัน ถ้าหากว่าเราไม่กำหนดละมั น, นมันเป็นเชื้อดูดเอาของใหม่เข้าไปสมทบอีกเป็นอย่างนั้นกิเลสนี่มันก็เหมือนกับแม่เหล็กนี่เองเนี่ยเงนั้นการที่กิเลสมันจะครอบงำจิตไม่ได้หรือว่ามันมันจะคลายออกไปจากดวงจิตนี่ก็เพราะเราทำความเพียรเพ่งพินิษตอยู่ในจิตใจนี้เสมอเสมอไป ความเพียนเพ่งพินิษนี่แหละท่านเรียกว่าเป็นตปะธรรมเป็นเครื่องเผากิเลสให้เราร้อนเมื่อเราเพ่งไม่ท้อไม่ถอยเข้าไปกิเลสมันทนไม่ไหวทนโดยความเพ่งไม่ไหวมันก็ดินนะนั่นนะดินทำให้จิตใจปูนปั่นขึ้นมาคนไม่รู้อิทธิพลของกิเลส หรือว่าคนที่ใจโอนแอาแท้ก็อย่างว่านั่นแหละมันก็วันไว้ไปตามอำนาจของกิเลสนั่นถ้าคนผู้ใดได้ฝึกใจเข้มแข็งตั้งขันติทมไว้ในใจเสมอแล้วอย่างนี้แม้ว่ากิเลสมันจะดิ้นรนยังไงมันก็ไม่ไหวไปตามมันเราะว่ามีทมเป็นเครื่องอยู่ในใจอยู่แล้ว คันติทำความอดกันดนทานต่อความชั่วร้ายต่างๆไม่ยึดไม่ถือเอาไว้ในใจอย่างนี้แล้วใจมันก็สบายมเมื่อใจสบายแล้วเรื่องอะไรจะไปคิดสงสัยไปสร้างกิเลสบาปธรรมอันชั่วร้ายให้เกิดขึ้นในใจมเมื่อเผาใจนี้ให้เป็นทุกข์เปื้อนร้อนนะมสมควรที่จะทาอย่างนั้นหรือ ก็ต้องถามตัวเองแหละทั้งสมควรนี่ไม่สมควรแน่นอนทีเดียวเพราะว่าตนต้องการความสุขความสงบอันความมุ่งหมายของจิตใจนี้แท้จริงนะมันต้องการความสุขความสงบมาแต่เดิมแหละแต่เ้าว่าเมื่อมาถูกกิเลสมันครอบงาเอา มันเลยลืมตัวไปลืมความต้องการของตัวเองไปเลยเพลิดเพลินไปตามหน้าของกิเลสนี่คนที่มีใจอ่อนแอไม่ประกอบไปด้วยคุณธรรมต่างๆดังกล่าวมานั่นนะดังนั้นนะ่ะเราเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้านี่ควรพากันมีคุณธรรมอยู่ในใจ ความอดทนนี่เนี่ยนับเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตจิตใจแท้ๆเลยอดทนต่อความลำบากกลากล้มในการทำการทำงานางานของนักบวชมันก็มีอีกอย่างหนึง่งงานของคฤหัสถ์ก็มีอย่างนึงงอย่างนีเน้เกิดมาในโลกนี้มันต้องมีงานทำทุกคน ใครจะไปอยู่เปล่าๆไม่ได้หรอกพิษกฎธรรมดามเมื่อเกิดเป็นคนพ่อแม่เลี้ยงใหญ่เข้ามาแล้วต้องทำงานทั้งนั้นเลยไม่ทำไม่ได้พิษกฎธรรมดาไม่ทำงานก็ไม่มีอันจะกินนะบ้านีถ้าเป็นพระภิกษุสามเณร เกียรค้านทําข้อวัดปฏิบัติเช่นนี้หมู่คณะก็รังเกียจ<ม>เมื่อหมู่คณะรังเกียจแล้วตนเองก็อยู่ยากเบือดร้อนเป็นอย่างนันเพราะว่าไม่ยอมสามัคคีกับหมู่หมู่ทาข้อวัดปฏิบัติอยู่นี่ตนก็เฉยเมยไปซะอย่างนี้นะไม่เหลียวแลหมู่คณนะเองอื ถ้ามีใครมาตักเตือนว่ากลาวหน่อยหนึ่งก็ไม่พอใจเกิดเกือดร้อนและที่นี่น ะ, อ, ะอยู่ยากนั่นมันเป็นยางนั้นถ้าหากว่าพูดไม่ทำอย่างนั้นนะตั้งใจทำตนเป็นคนหมั่นคนขยันต่อข้อวัดปฏิบัติไปอย่างนี้มติของหมู่ของคณนะ ควรจะทำกิุระอะไรเมื่อเป็นมติออกมาแล้วก็ร่วมการทำจริงๆไม่หลีกเลี่ยงการงานอย่าไปถือว่าเป็นเรื่องกังวลไม่ไม่ใช่กังวลหรอกการทำความดีใจก็สบายซ้ำเมื่อเราได้ทำข้อวัดปฏิบัติไปอย่างนี้สบายใจ นั้นนี่ปลื้มใจว่าตนได้ทำประโยชน์ส่วนรวมเรียกว่าตนได้เฉลี่ยความสุขของตนเองให้แก่หมูค่คณนะมันก็ภาคภูมิใจแล้ววันนี้แม้เป็นครือข่าก็เหมือนกันนะมเมื่อไปอยู่ในชมลมใดเราก็คิดก็ทำกิจกรรมอันจะเป็นประโยชน์แก่ ส, สมาคมนั้นนั้นเมื่อสมาคมนั้นนั้นได้เห็นความสามารถของผู้นั้นแล้วก็ย่อมยกย่องสรรเสริญเคารพนับถื อ, อถือเอาเป็นผู้นำในทางประพฤติปฏิบัติดีชอบถูกทางนั่นนะไอ้ผู้นำในโลกอันนี้นะแต่ถ้าเป็นผู้นำที่ดีแท้ เพื่อนมันต้องฝึกตนมาอย่างโชคโชล น, นะต้องอดต้องทนทำความดีต่างๆแล้วก็อดทนต่อคำด่าว่าเสียดสียกโทษตีเตียนจากคนอื่นด้วย<ะ>ไม่หวั่นไหวนี่ถ้าผูใ้ใดอดทนได้อย่างนี้ก็ย่อมเป็นที่รักของหมู่ของคณะแน่นอนทีเดียว嘛เ<ะ>ป็นอย่างนั้น ก็ความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้านั้นเพราะองค์ก็มุ่งหมายให้พุทธบริษัทของพระองค์นั้นมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจสร้างคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในใจแล้วเราก็จะอยู่ด้วยกันโดยสันติสุขได้จะเป็นสมาคมนักบวชก็ตามจะเป็ น, ส, นสมาคมของครืองหัดก็ตามหละ มันก็อยู่ด้วยกันโดยสันติสุขได้ทีเดียวเพราะว่าต่างคนต่างมีใจคอหนักแน่นในเรื่องกระทบกระทั่งกันนินดๆหน่อยๆ น, นี้ไม่ถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะคนต่างคนก็มีกิเลสยังละกิเลสไม่หมดผู้ดใดเผลอๆตัวแล้วมันก็แสดงกิเลสอ น, นั้นออกมาโดยไม่รู้ตัว อาผู้ใดได้ยินได้ฟังเขาก็เอาโหสิกรรมให้ไปไม่ถือสาหาความเช่นนี้มันก็ปองรองสามัคคีกันไปได้เออมันก็ปองรองสามัคคีกันไปได้ตลอดทีเดียวถ้าผู้คลองเรือนอย่างนี้ก็ครอบคัวตัวเรือนนั่นก็ไม่แตกสามัคคีกันรวมกันอยู่ได้อย่างสนิทใจ ถ้าผู้อยู่ในวัดอย่างนี้ก็เหมือนกันนี่มันก็ต้องมีคุณธรรมอยู่เหล่านี้อยู่ในใจมันยึงอยู่ด้วยกันโดยสันติสุขได้คุณธรรมเหล่านี้มันเป็นเครื่องประกอบศีลประกอบสมาธิประกอบปัญญาให้มีกำลังแก่กล้าขึ้นไป อย่างว่ารักษาสินอย่างนี้ถ้าใครไม่อดไม่ทนนะรักษาไม่ได้เลยอย่างนี้แหละอย่างเช่นเป็นคฤหัสน์เอามารักษาสินอยู่นี่เคยทำอาชีพอย่างนั้นมาไม่ได้ทำแล้วอาชีพฉะนั้นไม่เกี่ยวกับฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้นะมันก็ทำไม่ได้เมื่อมั่นในสินแล้ว ทปเ้เมื่อทำไม่ได้อย่างนั้นก็ทำอย่างอื่นทำอย่างที่มันไม่ผิดศีล น, นั้นก็อดกันทนทานเอาแม้มันจะมีรายได้น้อยก็ยอมเพราะว่าตนเกลียดต่อบาปไม่อยากสั่งสมบาปขึ้นในตนมันจะนำทุกมาให้ในภายหลังผู้ใดนึกเกลียดขึ้นมาในใจอย่างนี้แล้วมันก็เว้นได้เลย อันความเป็นอยู่นี่ไ ม, ไม่ไม่คำนึงขอให้มีมีศีลเป็นเครื่องอยู่ในใจก็แล้วกันความเป็นอยู่ภายนอกมีอย่างไรก็บริโภคใช้สอยไปอย่างนั้นมไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ต้องบริโภคใช้สอยมันซึ่งของสิ่งนั้นเคยใช้เคยสอยเคยบริโภคมาอย่างนี้นะเมื่อมันไม่มีแล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนมัน ถ้าผูใ้ใดเดือดร้อนก็แสดงว่ามันมีอุปท า, านในเรื่องนั้นอยู่มันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ก็ต้องวางอุปท า, านให้ได้เป็นการที่เราปฏิบัติตามศีลตามธรรมไปแล้วอย่างนี้นะจิตมันเดือดร้อนขึ้นมานี่มันก็จะได้เห็นหน้าตาของกิเลสอย่าไปถือว่าเป็นเรื่องไม่ดี มันดีแหละเพราะบางทีนะกิเลสมันนอนอยู่ในายในใจนู้นมันไม่โผล่หัวออกมาให้เห็นเลยต่อเมื่อมันมีเหตุอะไรไม่ดีไม่งามกระทบกระทั่งเข้ามาดังนันนกิเลสเรานั้นมันจึงโผล่หน้าออกมาให้คนเห็นอ คือการที่มันมาทําใจให้เดือดร้อนนั่นแหละหุ่นวายนั่นแหละนั่นแหละหน้าตาของกิเลสเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็กําหนดรู้เลยว่าเออกิเลสเหล่านี้เรายังละมันไม่ได้ดีแล้วมันแสดงบทบาทออามาให้เรารู้วันนี้เราจะเพียรพยายามละมันออก็เพียรพยายามเพ่งอยู่แต่กิเลสอันนั้นนะ่ะกิเลสเรื่องนั้น อย่างนี้นะเพ่งเพ่งละไม่ใช่เพ่งดูเฉยๆเพ่งว่าอารมณ์อย่างนี้ความคิดความเห็นอย่างนี้ควรละไม่ควรยึดถือเอามันไว้ น, นี่การเพ่งไม่ใช่เพ่งอยู่เปล่าๆ เ, เพ่งเพื่อให้รู้แจง้งเมื่อรู้แจ้งล้วละอย่างนี้นะทาในใจโดยอุบายแอยบคายอย่างนี้กิเลสมันก็เบาไปจริงๆเลย เพราะว่าตนมีสติควบคุมจิตแจอยู่อย่างนั้นไม่ให้จิตมันตื่นเต้นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหานะสติสัมปชัญญะมันคุมจิตอยู่อย่างนั้น เ, เมื่อจิตมันไม่มีโอกาสจะสร้างกิเลสเกิดขึ้นแล้วกิเลสมันก็เกิดไม่ไดนะ้เพราะว่าทุกอย่างมันมีใจเป็นใหญ่ดังที่เคยพูดมานั่นเนะี่ย มันมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยใจเมื่อใจของผู้ใดเบื่อกิเลสตัณหาเบื่อความโกรธความลงความโลภต่างๆหมดนี่แล้วไม่สั่งสมมันขึ้นมาอีแล้วมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ส่วนที่ได้สะสมมันมาแล้วนั้นก็เพียนกาหนดละมันไปเรื่อยๆเช่นนี้แล้วจะไม่ให้กิเลสมันแห้งไปยังไงแล้ว เมื่อเราทําถูกทางแหละอั น, นี้เหตุที่ไม่สร้างกิเลสใหม่ขึ้นมาก็อาศัยความอดกั้นนั่นแหละมันถึงไม่ได้สร้างกิเลสใหม่ให้เกิดขึ้นเพิ่มเติ ม, ต ม, ตมกับกิเลสเก่าเราต้องระมัดระวังตัวไปอย่างนี้สเสมอสเสมอไปแหละผู้ปฏิบัติธรรม ระวังจิต ด, ดวงเดียวนี่นะไม่ใช่อย่างอื่นใดนะเพราะว่าจิต ด, ดวงนี้มันสร้างทั้งความดีสร้างทั้งความชั่วให้เกิดขึ้นในตัวเองในเมื่ อ, อยังไม่รู้แจ้งนะมันยังหลงอยูนะ่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นตัวเองเนะี่ยควบคุมตัวเองบัด น, นี้ไม่ใช่จิตมีสองดวง เราจิตใช่ดวงหนึ่งควบคุมอีกดวงหนึ่งอย่างนี้ไม่ใช่จิตตรงเดียวเท่านั้นแหละตนเองควบคุมตัวเองอให้เข้าใจอย่างนั้นเมื่อตอนควบคุมตัวเองอยู่ได้แล้วอย่างนี้มันก็ไม่ได้สร้างกิเลสบาปมรทมให้เกิดขึ้นในใจมัน กิเลสที่มีอยู่แต่เก่านั้นแล้วมันก็อ่อนกำลังลงเพราะจิตไม่ส่งเสริมมันอย่างนี้แหละให้พากันเข้าใจเราต้องพยายามปัดกิเลสออกจากใจกนี้เอยไปแหละสำหรับผู้นับถือพระพุทธศาสนาเมื่อรู้แล้วว่าความทุกข์ทั้งหลายมันเกิดจากกิเลส ไม่ใช่เกิดจากผีสางนางไม่เขาะดีเขาะร้ายอะไรอ่ะไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้สแสดงว่าอย่างนั้นเลยความทุกข์ทั้งหลายมันเกิดจากกิเลสกิเลสมันเกิดจากดวงใจดวงนี้เป็นผู้สร้างมันขึ้นมันถึงมีได้กิเลสก็ดีมันมันก็สร้างกิเลสมาเผาตัวเองมาแต่อดีตชาติของหลังนูน่น มันสร้างกิเลสเกิดมาชาติใดก็มาสร้างกิเลสเผาตัวเองเรื่อยมาแต่ว่าบางบางชาติอาจจะเกิดมาพบพระพุทธเจ้าหรือพระศาสนาของพระองค์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งอย่างนี้แล้วก็ได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสได้ทําบุญทําทานตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าชาตินั้นศรัทธาปัญญาก็ยังอ่อนอยู่ทําบุญกุศลอะไรก็ทําได้แต่นินดหน่อย วัยพระภาวนาก็ได้เพียงเล็กน้อยพอเป็นอุบนิไสยปัดใจอย่างนี้นะถ้าอย่างว่าเกิดมาในชาตินี้บุญเก่านะีมันก็มาโดนบันดาลให้เกิดศรัทธาเรื่อมใส่ในคำสั่งสอนของผู้เผยเจ้าเขายินดีที่จะปฏิบัติตามอาศัยบุญเก่าเนี่แท้ๆนะมาโดนบันดาล น, นะ ถ้าไม่ต้องอาศัยบุญเก่าแล้วใส่คนทั่วๆไปมันก็คงจะมีจิตยินดีปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าทั่วไปไม่ใช่เลย<ม>แต่นี่ปรากฏว่า ม, มีคนจํานว น, นน้อยอ่ะที่มีจิตยินดีที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านั่น เนี่ยเราก็เห็นเห็นกันอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนะเมื่อเมื่อเราตื่นตัวกันอย่างนี้แล้วพยายามบำเพ็ญไปด้วยความไม่ประมาทก็จะทำให้กิเลสตัณหามันน้อยเบาบางออกไปจากจิตใจนี้เมื่อกิเลสตัณหาน้อยเบาบางออกไปเท่าไหร่ ความทุกข์ทางใจนี่มันก็น้อยเบาบางเข้าไปเท่านั้น ด, ดังแสดงมาขอยุดติลงเพียงเท่านี้